จะไปดูขยาศีษะที่พระพุทธเจ้าแสดงอาทิตตะปริยยาสูตรหน่อยก็ไม่ได้ใกล้จากต้นไม่ไกลจากต้นโพเท่าไหร่นะก็ยี่0บสามสิกิโลนี่แหละแต่ว่าวันนั้นไปดูอะไรนะดงคาศิกดงค้าศึกก็เลยว่าจะเลยจากดงค้าิริไปแขกก็บอกว่าไม่ทันอาหารเที่ยงหรอกครับว่างั้นก็เลยเราก็ห่วงอาหารเพนก็เลยกลับมาฉันซะก่อนนั่นเอเห็นด้วยเห็นด้วยก็เลยกลับเลย สมัยนั้นแหลฉเนี่ยนะชะดินมากด้วยกันเนี่ยนะอาบน้ำที่แม่น้ำขยาเนี่ยนะก็พากันผุดขึ้นบ้างดำลงบ้างผุดขึ้นและดำลงบางพวกก็รดน้ำบางพวกก็บูชาไฟที่แม่น้ำขยาในสมัยหิมะตกในระหว่างแปดวันในราตรีมีความหนาวในเหมัหรฤดูด้วยคิดว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยการกระทำอย่างนี้ไม่น่าเชื่อนะตอนวันมาฆะเนี่ยนะแถวถวคว่า เฮมันตาร ด, ดูเนี่ยเวลาที่พูดถึงเนี่ยแถววันมาฆะนะวันที่เมื่อเมื่ อ, อวันที่ประมาณวันที่สิบหกกุมภาเดือนที่แล้วเออเดือนกุมภาหน่อนะที่ของมาปายเนี่ยไม่มีหิมะแต่สมัยพุทธกาลนี่มีหิมะนะสมัยพุทธกาลเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยแถวแถวช่วงมาฆะบูชาเนี่ยมีหิมะอยู่เพราะหน้าแปลกนะเมื่อสองพันกว่าปีมีหิมะนะตอนนี้ไม่เหลือแล้วแต่ก็เขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปีปีปีนี้เนี่ย หนาวที่สุดบางท่านบอกว่าหนาวที่สุดในรอบ40ปีก็บอกว่าอยู่40บางท่านอยู่อินเดียมา40ปีบอกปีนี้หนาวที่สุดเพ่าะงั้นที่ผ่านมานะก็มาก็ปลา ย, ปลา ย, ป, ลายปลายหนาวเลยสบายเลยทามาสบายก็คือไม่หนาวเท่าเขาอ่ะนะแต่ก็ไปป่วยตามเดิมนั่นแหละ <c oughs> ทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทอดพระเนตรเห็นพวกฉดิน เหล่านั้นเนี่ยน่าหนาวหิมะตกเนี่ยพากันผุดขึ้นดำลงผุดขึ้นทั้งดำลงรถน้ําบูชาไฟที่แม่น้ําขยาในสมัยหิมะตกระหว่างแปวันในราตรีมีความหนาวในฤดูหนาวด้วยคิดว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยการกระทําอย่างนี้ น, นะด้วยการผุดขึ้น น, นะดำลงในแม่น้ําเนี่ยจะทําให้บริสุทธิ์ใครเคยอาบน้นําหน้าหนาวบ้างหน้าหนาวหน้าหนาวจริงๆแล้วมุดไปในน้ําเนี่ยโอ้โหมาเคยละ หนาวจริงๆเลยนะในแม่น้นําหน้าหนาวเนี่ยมุดลงไปสักสามสี่เมตรเนี่ยหํามากเลยนะเย็นยเยือกขึ้นาจนะต้องผิงจุดไฟไว้ก่อนนะนะค่อยมุดลงไปขึ้นมาแล้วก็ผิงไฟก่อนหนาวมากพอพระองค์เห็นอย่างนั้นพระองค์ก็อุทานานะอุทานออกมาว่าความสะอาดย่อมไม่มีเพราะน้ำนะอาบน้ํามันจะสะอาดได้จริงหรื อ, อนะก็ล้างทุเรีได้แต่ว่าไม่ได้ล้างกิเลสห อ, อกน้ําอ่ะ แต่ชนเป็นอันมากก็ยังอาบน้าอยู่ในในน้ำนี้นะก็คิดว่าตัวเองอาบแล้วจะพ้นหมดกิเลสใช่ไหมน้ำที่อาบและหมดกิเลสคือสัจจะและธรรมะมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้สะอาดและเป็นพรามก็คือสัจจะและธรรมะเนี่ยนะคือตาบะและพรหมจาร์เนี่ยไม่ใช่น้ำแบบน้ำแบบนั้น น, นนะแต่ก็เป็นเครื่องชำระชะล้างบาปอากุศลได้ส่วนไออาบน้า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 ลอยขี้ครได้นะที่ขัดขัดอ่ะนะขยาสีเสความว่าในที่นั้นมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าขยาสีสะมียอดคล้ายศีสระช้างเป็นที่มีศิลาดาศเหมือนกับพองช้างเป็นอภโกาดพอพิกษุพันรูปอยู่ได้เนี่เป็นลานเนี่ยเป็นกลางแจ้งคนนั่งได้ประมาณพันคนอ่ะนะพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่นั่นได้อ่า อ, อยู่ที่นั่นด้วยพร้อมพิสุเป็นพันรูปพันรูปก็กลุ่มไหนก็ ถ้าฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะใครอื่นก็คือพระชะดินทั้งสามพี่น้องะสามพี่น้องนะั่ น, นแหละพร้อมกับบริวารอีกพันหนึ่งพวกถึงชดินเหล่านั้นเนี่ยนะไปอาบน้ำตอนไหนสมัยหิมะตกมีปริมาณถึงแดวันคือในที่สุดของเดือนมาคะอันภายในเหมันฤดูสี่วันในวันต้นของเดือนพัคุณะอีกสี่วันเนี่ยนะหิมะตกแดวันติดิดกันเลยนะ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 การดื่มเหล่านั้นจะทำให้บริสุทธิ์ได้เพราะฉนั้นพวกนี้ก็บางกลุ่มนี่ถือว่าการดื่มน้ำแต่ว่าเดรัจฉีเหล่านี้ถือการอาบน้ำก็ผุดขึ้นคราวเดียวเท่านั้นเป็นอันบริสุทธิ์จากบาปเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ทำการผุดขึ้นเท่านั้นแล้วก็ไปจริงๆแล้วเอ๊ยอยู่ๆแล้วผุดขึ้นมาได้ยังไงมันต้องมุดลงไปก่อนใช่หมค่อยผุดขึ้นทีหลังนะเพราะฉนัน้นพวกเล่นน้าทั้งวันน่าจะบริสุทธิ์ได้ใช่ไ ฝ่ายชนผู้มีความเห็นอีกอย่างหนึ่งบอกว่าด้วยการดำลงคราวเดียวเท่านั้นจึงเป็นอันบริสุทธิ์เพราะถ้ามุดลงแล้วไม่พยอมโผล่เลยเนะีบริสุทธิ์แน่พวกนี้ก็ตายอย่างเดียวสินะก็ตายจริงๆนะพวกนี้ยอมตายนะไม่ไม่ได้เสียดายชีวิตอะไรเนี่ยด้วยอํานาจของมิจฉาทิฐิเนี่ยอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับมิจฉาทิฐิเห็นไหมว่ามิจฉาทิฏฐิกลัวตายที่ไหนบอกว่าถ้าแกไปตายแล้วแกจะได้นางฟ้าเท่านั้นเท่านี้จะโโหก็จะมีคนมาตอนรับเท่านั้นเท่านี้ ยินดีอย่างนั้นอย่างนี้ยอมพลีชีพไม่ใช่น้อยเนี่ยนะเพราะเห็นแก่แก่ด้วยอนุภาพของทิฐิเนี่ยนะมันยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้คิดว่าพอมุดลงไปแล้วก็บริสุทธิ์อย่างเดียวนะก็แต่ก็คงทบทวนมานานลนะก็ตัดสินใจมุดลงทีเดียวให้มันตายไปเลยเนี่ยจะได้บริสุทธิ์ฝ่ายชนที่มีความเห็นอย่างนี้ว่าด้วยการดำลงที่ท่านั้นและเป็นการบริสุทธิ์จากบาปจึงดำลง ที่ท่านั้นแล้วก็กลั้นลมหายใจสิ้นชีวิตลงในที่นั้นนั่นเองเหมือนจมไปในเหวทรายนนะอีกจําพวกหนึ่งก็มีความเห็นว่าการกระทําการผุดขึ้นและดำลงบ่อยๆแล้วจึงอาจเป็นการบริสุทธิ์จากบาปชนเหล่านั้นจึงขุดขึ้นและดำลงตลอดเวลาโอ้เลยนะโอ้แล้วก็โครมมุดลงไปอย่างเงี้ยนะก็ยังพอเห็นอยู่นะตอนที่ที่ไปที่อะไรนะธารันดสีนะ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 พวกชะดินเนี่ยนะบอกว่าพวกพรามณ์แม้ทั้งศีรษะโลนและก็เกล้าผมเป็นแยมผู้ต้องการความบริสุทธิ์ด้วยน้ํากระทําอย่างนั้นที่ท่าน้ํานั้นในการนั้นบางพวกก็ถือว่ากวาดเอามือกวักน้ําในสระแล้วก็รดศีรษะและก็รดตัวของตนทําอย่างนี้จะ ส, ส, สะอาดใช่ไหมบางพวกก็ไปยืนที่ริมฝั่งแม่น้ําแล้วก็เอาเอ า, เอาหม้อตักวักใส่หัวก็นึกว่าจะสะอาดบางพวกก็จัดแจงเวทีเลยนะจัด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 ได้แก่การลอยบาปคือละอกุสลได้ทุกชนิดหรือความบริสุทธิ์จากสังสารวัตย่อมมีได้ด้วยการดำลงเป็นต้นในแม่น้ำขยาและด้วยการบำเรอไฟอนนะั้นลัทธินี้ก็ยังยืนยงอมาตะมาจนถึงทุกวันเนี่ยนะก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมแม่น้ำเนี่ยจึงมีปลาเยอะทำไมมันจึงมีหนอนเป็นต้นมากไม่ต้องแปลกใจก็เพราละลัทธิเหล่านี้นี่แหละอนะ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 นนะหาฟืนสายไฟเนี่ยนะบริสุทธิ์ขึ้นไหมใช่ผลานสักเลี่ยงเลยนะเพลิงนี่เผาเรียบหมดแล้วนะเมื่อคืนนี้เผาไปเยอะเลยใช่ไหมหาไม่มีที่อยู่เป็นร้อยคนเลยนะเมื่อคืนนี่ก็ไฟไหม้กรุงเทพนี่แหละบางพวกอยู่ในน้ำอ่ะ น, นะพวกกลุ่มกลุ่มบูชาไฟเนี่ยนะบางพวกอยู่ในน้ําบางพวกยกมือไหว้น้ําอัญเชลีน้ําบางพวกยืนอยู่ในน้ําแล้วก็หันไปตามพระจันทร์พระอาทิตย์ บางพวกอ่านคัมภี์ฉันเนี่ยนะไร้วีร่ายมนกันดวนหน้าดูบางพวกวก็ไร้วิชาจงมาเธอท่านอินเนี่ยนะก็ท่องอินทอาขัชฌะเนี่ยนะโอ้อะไรก็ว่าไปบางพวกวก็กระทำมหกรรมนะโอ้ทำยิ่งใหญ่มากทําเป็นคล้ายๆพวกกระทงพวกอะไรหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อกระทําอย่างนั้นบางพวกวกว็กลงบางพวกวกว็ขึ้นบางพวกขึ้นมาแล้วก็ทําการชําระล้างให้สะอาดนะชำระเช้าเย็นก็อาบใหม่อีกนะ บางพวกก็ยืนอยู่ในน้ําถูกความหนาวบีบคั้นแสดงกิริยามีประการต่างๆเป็นต้นว่าเช่นบรรเลงพินที่ทําด้วยงาช้างเป็นต้นนะก็ยังมีดนตรีอยู่ในหัวใจอีกตามเดิมไหมทำไปทาํามาหนาวเรากลับมาดีดพินต่อดีกว่าเพราะฉะนั้นบูชาเนี่ยเอากันจริงๆเลยนะพวกแขกเนี่ยนะแขกที่บูชาเกี่ยวกับ น, น้ําฝ่ายเนี่ยเอาเป็นเอาตายกันจริงๆเพราะคนที่นับถือศาสนานี้ตอนนี้มีประมาณ90้ล้านนะเก้900ล้านนับถือศาสนาเนี่ยรัที่อาบน้ำเนี่ย คือพวกที่ไปเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ก็ไม่มากนะเน้นพวกนักบวชแต่ว่าพวกนับถือสายนี้รับที่เนี่ยประมาณ900ล้านคนในโลกเนี่ยนะประมาณ900ล้านคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยกว่าล้านเองทั้งโลกเลยนะมีที่ที่เรียกว่าสมโนครัวอยู่ทะเบียนโลกเนี่ยมีประมาณ300กว่าล้านน้อยกว่าเพื่อนเลยนะศาสนาอื่นเนี่ยสอง0ันล้านบางศาสนาพันสล้าน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 ไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยดินน้ำลมไฟนะไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยทรัพย์เป็นต้นแต่บริสุทธิ์ด้วยอริยมรรคมีองแปรด้วยการแทงตลอดอริยศาสตร์แต่พวกมิจฉาทิฐิสําคัญว่าอาบน้ําผิงไฟนี้ทําให้บริสุทธิ์เข้าพระองค์ก็เลยอุทานเป่งอุทานแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ด้วยน้ําแล้วก็แสดงถึงความบริสุทธิ์ด้วยสัจจะเป็นต้นมั้นถ้าหากว่ามาดูในคถาย้อนอีกครั้งหนึ่ง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 ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยของเราอาบน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนี่กิเลสลดลงเลยไหมความน้อยอกน้อยใจก็ลดลงความเศร้าใจก็ลดลงสบายใจขึ้นทุกวันทุกวันเป็นอย่างนั้นไหมไม่นะที่น้อยใจมากกว่าเดิมอีก <c oughs> นะ แ, แสดงว่าไม่ได้บริสุทธิ์เพราะอาบน้ำอะไรหรอกอไห น, นอยอรปัญหาว่าอาบแล้ว อาบน้ำหน้าหนาวก็โกรดน้ำอีกใช่ไหมว่ามันเย็นเกินไปหน้าร้อนนี่ไปเจอเปิดก๊อกน้ำค่อนมันร้อนนี่ก็โกรดน้ำอีกนะถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าชนเป็นอันมากที่อาบน้ำนี้เนี่ยนะไม่สามารถทําให้บริสุทธิ์ได้เพราะถ้าเชื่อว่าความบริสุทธิ์จากบาปจะพึงมีเพราะการลงน้ําเป็นต้นตามที่กล่าวแล้วไซชนเป็นอันมากก็จะพากันอาบน้นํานี้คือคนผู้ทํากรรมชั่ว ข้าแม่มาอาบน้ําก็บริสุทธิ์ได้ข้าพ่อมาอาบน้ําก็บริสุทธิ์ได้ข้าผ้าหันเป็นต้นมาอาบน้ําก็บริสุทธิ์ได้ข้าโคข้ากระบือเป็นต้นก็บริสุทธิ์ได้ชั้นที่สุดปลาและเต่าก็จะพากันอาบน้ํานี้ทั้งคนและสัตว์ทั้งหมดก็จะพากันลอยบาปไปได้แต่ข้อนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเป็นอย่างนั้นไหมถ้าข้าพ่องั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูข้าพระเจ้าพิมพ์ิสารก็ไปอาบน้ำล้างบาปเรียบร้อยก็ไม่ใช่ พระเทวทัศน์ ท, ทชั่วก็ไปอาบน้ําล้างบาปซะหมดสบายก็ไม่ใช่เองค่าแพะค่าแกะค่าไก่ค่าสุกรค่าสัตว์มากขนาดไหนเดี๋ยวไปอาบน้ําล้างก็สะอาดหมดแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นนะปลาและเต่าที่อยู่ที่นั่นสะอาดหมดนอนที่กระดึบกระดึบอยู่ในน้ําก็สะอาดหมดเลยนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นถามว่าเพราะเหตุไรเพราะการอาบน้ําไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อเหตุแห่งบาปนะเหตุที่ทําให้เกิดบาปคืออะไร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 ฉลาดขึ้นแทงตลอดอริยสัตว์อะไรเลยมาดูวิวัตตะบ้างนะความบริสุทธิ์บทว่ายำหได้แก่บุคคลใดบทว่าสัจจังได้แก่วจีสัจจะและวิรัตสัจจะวจีสัจจะคือคําจริงวิรัติวิรัติสัจจะก็คือศีลเป็นต้นนั่นแหละสัจจังได้แก่ยานัสัจจะและปรมาทสัจจะยานัสัจยาณัสัจจะคืออริยมรรคปรมาทสัจจะคือนิพพาน ธรรมโมคืออริยมรรคและธรรมคืออริยผลสรุปว่าบรรลุด้วยมรรคผลนิพานด้วยการแทงตลอดอริยสัจจึงจะบริสุทธิ์ได้ธรรมธรรมะคือผู้ใดบรรลุอริยสัจดังกล่าวไปเนี่ยนะด้วยอํานาจมรรคผลมีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นคือพระอริยะบุคคลโดยพิเศษสูงสุดเลยก็คือพระขีณาสพชื่อว่าเป็นผู้สะอาดอย่างแท้จริงเพราะพผ้าหันสะอาดจาก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 มันก็ต้องคำคำสัตว์นี่แหละเป็นวาจาที่ไม่ตายเพราะฉะนั้นคําสัตว์อันนี้จะต้องพูดให้โดยใช้คําที่ไพเราะเป็นคําที่จริงเหมาะแก่การเป็นคําที่ประสานประโยชน์เป็นคําที่ประกอบไปด้วยเมตตารู้เหตุรู้ผลไข่ค ร, ครวญดีแล้วค่อยพูดเนี่ยนะสัจจะและดีกว่ารถทั้งหลายคือรถแห่งวจีสัจจะเนี่ยนะเป็นเป็นความอริสอร่อยที่สุดคือความจริงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้ตั้งอยู่ในสัจจะอันเป็นอัฏฐะและธรรมะว่าเป็นศัตบุรุษ และก็สมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในสัจจะก็คือวจีสัจจะขณะเดียวกันพระองค์ก็แสดงโทษของคำพูดที่ไม่มีวาจาสัตว์เนี่ยมากเช่นสัตว์ผู้มักพูดเท็จล่วงทำเอกเสียล่วงทำเอกอันนี้แสดงว่าคนที่มักพูดเท็จเนี่ยนะ้ายังพูดเท็จอยู่ยังทำบาปอีกหลายอย่างลั้น และผู้พูดคําอันเป็นคําไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกเนี่ยนะเพราะนั้นใครที่มักพูดคําไม่จริงก็โดยมากก็มักเข้าถึงนรกเป็นต้นเพราะว่าจีสัจจะเนี่ยนะคําพูดนี่สําคัญมากแต่ขณะเดียวกันบอกว่าชาตินี้ถ้าข่าไม่ได้คงนอนตาไม่หลับอย่างเงี้ยนะอันนี้นี่เลิกได้ดีนะเพราะคําว่าคําจริงคําสัจจะในที่นี้หมายถึงคําที่เป็นไปกับศีลเป็นต้นนั่นเองสรุปว่าธรรมะที่จะทําให้บริสุทธิ์สัจจะกับ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 วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสงกรานต์ก็เป็นวันอาบน้ำกันน่นะขอขอให้ได้อาบน้ำในธรรมะวินยัยคืออาบน้ำคือสัจจะอาบน้ำด้วยธรรมะเข้าถึงความบริสุทธิ์ทุกท่านก็ขอให้แต่ประสบแต่ความเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองอยู่ในการทุกเมือ่อความโนุมโมทนา